เรยว่าโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมหรือว่าสวรรค์นรกอเวจีพูดให้น์ฝันใกล้ๆนรกคือฝุ่ร้อนร้อนใจบีบฟุกแล้วคราวในขณะไหนเวลาใดเราทุกข์อนนะั้มันจางหายไปเราก็ขึ้นสวรรค์โกรธมาเที่ยวน้าตกนรกอีกแล้วเนี่ยเป็นสวรรค์เป็นนรกบัดนี้เราอยู่แต่เพียงสวรรค์ไม่ไปตกนรก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 พูดเลยเอาให้รู้ไหมหรือไรหรือไม่รู้ไม่ต้องทำมันใจมันสบายแล้วมันมีแล้วนิพพานไม่ต้องไปทําอะไรแบบคําว่านิพพานมันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ต้องทําอะไรเลยมันมีแล้วนี่จ ะ, ร เ, เ, เ, เ, ะร เ, เ, เราจะตายเนี่ยมันมีแล้วที่จะทําให้เราตายลใคๆคือเรา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 มีเสือมีสคารมีแนียงปองมันก็อยู่เดี๋ยวมันก็อยู่เพราะมันเนี่ยมันก็ไม่ทํา้ายเราได้เพราะเราออาชนะมันได้อันนั้นเป็นภายนอกที่หลวงพอ่อพูดเราฆ้าไปฟังนั้นเน่ะมันก็แล้วเรื่องเราเราหมดให้มันหมดเดีย๋ยวอันนี้เขาว่าเ อ, อื้นโล ก, กิยธรรมถ้าเราอยู่อย่างเมื่อเราไปแล้วตายแล้วก็เป็นโล ก, กุจรธรรมแต่เราอยู่ในโล ก, กุจรธรรมเพราะว่ามันไม่มีการขัดแย้งกันวันที่พูดให้ฟังก็ น, นึกว่าจะจัดไปปฏิบัติได้ใช่ไหม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 ฟังได้ไปปฏิบัติตามสุตตะไมยะปัญญาจินตะไมยะปัญญาพาวนาไมยะปัญญาถพาวนาไมยะ ป, ปัญญ า, านปัญญาญาญาณของปัญญาทําให้มันเจิดเจิดปัญญาจนปิญาาปัญญาเกิดขึ้ น, นวันนี้พวกเราฟังฟังได้ไปปฏิบัติตามมันมีเหตุมีผลไม่ใช่เจ้าฟังแด้เอาที่ไว้ที่ตรงนี้นั้นมันไม่ได้ผลที่หลวงพ่อพูดให้ฟัง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 ไม่ก็ไปทําอะไรบางคำว่านิพพานมันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ต้องทําอะไรเลยมันมีแล้วเนี่ย<ม>เราจะตายเนี่ยมันมีแล้วที่จะทําให้เราตายใครคื อ, คอเราเราไปมันจะมีอันตัดสินเองมันอะไรไม่นเงียบหลว่าสัจจะคืของจริงแท้เปลี่ยนแปลงไม่ได้นนคนทุกคนต้องตายต้องไปประสบอันนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้จักอันนี้เราจะไปลงที่นี่ทถ้าเรารู้จักอันเนี้มันจะทางออกไปทางนี้มันเป็น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 เนาะอันนี้เขาว่าเอืนโลกิยธรรมถ้าเราอยู่อย่างเมื่อเราไปแล้วตายแล้วกขาเป็นโลกุตรธรรมแต่เราอยู่ในโลกุตรธรรมเพราะว่ามันมีการขัดแย้งกันว่าอย่างที่พูดให้ฟังก็นึกว่าจะจับไปปฏิบัติได้ใช่ไหถ้าหากว่าพูดอย่างนี้ยังเอาไปปฏิบัติไม่ได้ก็นานพวกเราที่จะเข้าใจเพราะการพูดอย่างนี้มันไม่ค่อยมีโอกาสไม่มีเวลา การพูดอย่างนี้ต้องเหมาะสมกับบุคคลที่ฟังถ้าคนยังไม่เหมาะสมกับการฟังพูดก็ไม่ได้เพราะมันเป็นอันตรายเสร็จคนใดชอบก็ต้องฟังเอาไปปฏิบัติคนใดไม่ชอบก็แล้วไปอันนั้นก็อย่าบางทีเขาเคยได้ยินไหมศาสนาเสมนำล้างฐานกันนำฆ่ากันเพราะไม่ชอบเนี่ยเป็นอะย่างนั้น